ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสตตะตาพระปุพพสิกขาและบุพพสิกขาวันานาพระอมราพิรุิตะอมโรเกิดวัดบ ร, รมนิวาตรชนาต่อไปจะเป็นการกล่าวถึงอุโบสถวัสสุปณนายิกาปวาวณาสามอย่างโดยย่อ ต้องอนุญาตไว้ว่าอนุชานามิภิกขเวอุโปสเตปปาติโมกขังอุดดิสิตุงแปลว่าเราสถาคตอนุญาตให้แสดงซึ่งปาติโมกในวันอุโบสถอุโบสถโดยวันนั้นมีสามคือจาตุดดสิโกปันนาระสิโกอุโบสถที่สิบสี่อุโบสถที่ 14, สิบห้าและสามัคคีวันสง์พร้อมเพียงกันก็คือแตกกันแล้วก็รวมกันได้ นับตั้งแต่วันอุโบโสถจะรู้ว่าปวจรณากรมาถ้าติสี่วันชื่อว่าจาตุดดสิโกพึงตั้งยติว่าอัจุโปสโตจาตุดโตดังนี้ถ้านับได้สิบห้าวันชื่อว่าปัณ น, นรารสิโกพึงตั้งยติตามบาลีว่าอจุโปสโตปันรารโตดังนี้สมแต่การด้วยวิว า, าทาธิกรดังที่ตุชาวเมืองโกสัมพี ถึงวันอุโบสถไม่ได้ทําอุโบสถถึงวันปวารณาไม่ได้ทําปวารณาแล้วกลับพร้อมเพียงกันลงรำงับอธิกรแล้วในวันใดวันนั้นชื่อว่าวันสามาคัคคีพึงทําอุโบสถในวันนั้นตั้งยติว่าอาชุโปโตโตสามาคัคคีดังนี้ในแรมเดือนสิบเอ็ดขึ้นเดือนสิบสองเป็นเดือนหนึ่งนี้พึงทําปวารณาตั้งแต่ในวันแรมเดือนสิบเอ็ดขึ้น เดือนสิบสองเดือนหนึ่งเนี่ยก็คือหลังจากออกบัญชาเนี่ยเองอะเดือนหนึ่งเป็นช่วงของการทําประวรัตินาซึ่งจะมีการเข้าบรรษาแรกกับเข้าบรรษาหลังเข้าบรรษาแรกก็สิ้นสุดเดือนสิบเอ็ดวันมหาประตินาว่าอีกเดือนหนึ่งก็อยู่ในช่วงของผู้ที่จําพรรษาหลังอันหนึ่งวันอุโบสถว่าโดยบุคคลผู้ทํามีอีกสามก็คือ สังฆอุโบสถหนึ่งคณะอุโบสถหนึ่งปุคละอุโบสถหนึ่งทิสุตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปพึงทำสังฆอุโบสถตรวจปาติโมกทิสุสองสามรูปพึงทำคณะอุโบสถบ่อปาติสุทธิทิสุรูปเดียวพึงทำปุคละอุโบสถก็คืออธิษฐานเอาอันหนึ่งเมื่อว่าโดยอาการจะพึงทำมีอีกสามก็คือสุดตุดเตสอุโบสถประสวัสดิโมกแบบทิสดา แล้วก็ปาริสุทธิอุโบสถก็แสดงปาฏิสุทธิกันและอธิษฐานอุโบสถก็อธิษฐานเอารูปเดียวพิสูจ ต, ตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปให้ตั้งสังขารยติว่าสุงมโตเมผันเตสังโคดังนี้เป็นต้นแล้วก็สวดปาติมโมกข์ชื่อว่าสุดตุเทสะอุโบสถปาฏิสุทธิอุโบสถนั้นมีสองอย่างก็คือบอกแกกันและกันอย่างหนึ่งแล้วก็บอกในสำนัก ของภิกษุอื่นอย่างหนึ่งบอกกันและกันนั้นก็มีสองอย่างก็คือตั้งยติกับไม่ตั้งยติในอาวาตใดถึงวันอุโบสถภิกษุมีแต่สามมีสมรูปเธอทั้งหลายนั้นพึงประชุมกันแล้วภิกษุผู้ฉลาดรูปหนึ่งพึงตั้งคณะยติว่าสุ น, นันโตเมผันเตอายสมันตาอจชุโปโตโตปนนกรโซยดายสมันตานังปตะกัลัง มายังอัญญะมัญยังปาริสุธิอุโปโสทังกะเรยามะดังนี้แล้วพิจุผู้เถระพึงทําผ้าผมเฉียงบ่าข้างหนึ่งนั่งกระโยงยกมือประนมกล่าวบอกความบริสุทธิ์กับพิษุทั้งหลายนั้นว่าปาริสุธโทอาหังอวุโตปาริสุธโทติมังคาเรทะดังนี้สามหนและพิจุหนุมก็พึงทําอย่างนั้นบอกโดยลําดับกันว่า ปริสุดโธอะหังพันเตปริสุดโธติมังพาเรทะดังนี้สามผลเหมือนกันอันนี้ชื่อว่าตั้งยติบอกปริสุทธิโดยตั้งยติถ้าอยู่สองรูปไม่ต้องตั้งยติประชุมกันนักสีมาแล้วพิสุผู้เป็นเถระพึงทำผ้าห่มเฉียงบ่าข้างหนึ่งนั่งกระโยงยกมือประนมกล่าวบอกความบริจุดกับพิจุดหนุ่มว่าปริสุดโธอะหังอาวโุโสปริสุดโทติมังพาเรหิ ดังนี้สามผลแล้วพิกตุนุมพึงทำอย่างนั้นกล่าวบอกกับพระเถระว่าปริสุทธโธอหังพันเตปริสุทธโธติมังธะเรทะดังนี้สามผลอันนี้ชื่อว่าไม่ได้ตั้งยติก็เป็นการบอกปริสุทธิ์เหมือนกันบอกปริสุทธิ์ในสำนักของพิกตุอื่นนั้นก็มีสองอย่างเหมือนกันก็คือบอกในสำนักแห่งพิกตุผู้ประวัตนาอย่างหนึง่งกับบอกในสำนักของพิกตุผู้ไม่ได้ประวัตนาอย่างหนึง่ง ก็หมายถึงภิกษุที่เข้าภรษาหลังเนี่ยหรือว่าภรษาขาดหรือว่าเข้าภาษาก่อ น, นั้นครั้นถึงวันปรวรณาเข้าน้อยกว่าภิกษุผู้ปรวรณาก็คือภิกษุที่จำภรษาแรกเนี่ยเขากําลังจะประวรณาแต่ภิกษุผู้จำํำรรษาหลังหรือว่าจำภรษาขาดเนี่ยนะน้อยกว่าพึงให้กายสามัคคีภิกษุอื่นปรวรณาแล้วพึงบอกความบริสุทธิ์แห่งตนว่า ปริสุธโธอาหังทันเตปริสุโทโธติมังทาเรธาดังนี้สามหลอันนี้ชื่อว่าบอกในสำนักของผู้ประวัตนาในวันอื่นไม่ใช่วันประวาตาภิสุเจ้าอาวาสถึงทิสุเจ้าถิ่นตรวนปาฏิโมกจบแล้วยังไม่ลุกหรือว่าลุกไปแล้วบางส่วนหรือว่าลุกไปหมดแล้วก็แล้วแต่ทิสุอคันตุกะอื่นมีจานวนเท่ากัน หรือว่าน้อยกว่าพิสูจเจ้าถิ่นมาถึงเทอรนั้นพึงบอกบริสุทธิ์ในสำนักของเจ้าอาวาสคือเจ้าถิ่นนั้นะ่ะโดยในนี้เถิดอันนี้ชื่อว่าบอกแกพิสูจน์ผู้ไม่ได้ประวรนาตอนนั้นถ้าเขาประรนาการพิสูจที่กรรมสายหลังหรือว่าพิสูจที่ขาดปัญหาก็ต้องบอกบริสุทธิ์เหมือนกันในสำนักที่เขาประวรนาถือว่าถ้าเป็นวันอุโบโสถแต่ก็สวดปาธิโมกไปแล้วพิสูอาคอคตุกะมาภายหลังน้อยกว่าก็ ให้บอกปริสุทธิ์เหมือนกันแต่ถ้าเกิดมากกว่าต้องสวดปาริโมกใหม่บอกอย่างนี้ชื่อว่าตาริสุทธิอุโบสถส่วนอธิษฐานอุโบสถนั้นดังนี้ถ้าพิสุอยู่รูปเดียวพึงทําบุปกรทั้งปวงเป็นต้นว่ากวาดโรงอุโบสถนั่งคอยพิสุตอื่นซึ่งเป็นอาคันตุกะก็รู้ว่าไม่มาแล้วมืดแล้วค่าแล้วไม่มีใครมาแล้วล่ะพึงอธิษฐานว่าอัจชเมอุโปสะโธดังนี้ ในอัตถถาท่านสอนว่าให้กล่าวคําอธิษฐานตามวันด้วยว่าอัชเมอุโปสะโตจตุตะโตศหรือว่าปันณาตะโสติอธิษฐามิดังนี้อันนี้ชื่อว่าอธิษฐานอุโบสถอุโบสถว่าโดยวันสามโดยผู้ทำสามโดยอาการจะพึงธรำก็สามก็เลยเป็นอุโบสถเก้าอย่างโบสเก้าอย่างโดยวันสามอย่างจตุรสีปนันนาสีวันสามมชี โดยผู้ทำก็สังฆอุโบสถคณะอุโบสถบุคคลอุโบสถในอาการที่จะทำก็สุดสุดเทสอาอุโบสถปอนสุทธิอุโบสถแล้วก็อธิษฐานอุโบสถก็รวมเป็นเก้าเมื่ออุโบสถหรือว่าปรนน่าเนี่ยพร้อมด้วยลักษณะดังนี้พิกตุจะไม่ทําอุโบสถหรือว่าไม่ทําปรนน่าในวันอุโบสถในวันปรนน่านั้นจะออกจากอาวาสหรือว่าอนาวาสไปยังอาวาสหรือว่าที่ไม่ใช่อาวาสนั้นก็เรียกว่าอนาวาส อันอื่นที่จะไม่มีพิตุหรือมีพิจุแต่เป็นนานาสังวาสเพื่อจะไปอยู่ต้องทุกกดเว้นไว้แต่ไปกับสงฆ์หรือว่ามีอันตรายกิจะพึงทำก่อนแต่ประชุมเพื่อจะทำอุโบสถหรือว่าทาปรณานมีตียางก็คือกวาดโรงอุโบสถนั้นหนึ่งหรือว่าถ้าเป็นวันปรณาก็กวาดโรงปรณานั้นหนึ่งถ้าเป็นเวลากลางคืนก็ตามประเทศหนึ่งตั้งน้ำฉันน้าใช้ไว้หนึ่ง ปูอาสนะเพื่อจะทําอุโบสถหรือว่าจะทําปรวานานั้นหนึ่งทั้งสี่อย่างนี้เรียกว่าบุพกรบุปกรณ์เป็นสิ่งที่จะต้องกระทําก่อนก่อนที่จะลงอุโบสถติกตุนมไม่เป็นไข่สัพระเถระบังคับคือใช้แล้วไม่ทําอุปกรณ์นั้นต้องถูกกดกิจจะพึงทําก่อนแต่ส่วนปาฏิโมกหรือว่าก่อนจะทําปราวนานมีห้าอย่างก็ได้แก่ นำฉันทะแหง่งทิศุผู้ควรแก่ฉันทะหนึ่งนำปาริสุทธิถ้าเป็นวันอุโบสถถ้าเป็นวันปรณาพนนำปรณาแหง่งทิศุผู้ควรปาริสุทธิหรือว่าควรแก่ปรนานั้นหนึ่งบอกฤดูว่าฤ ด, ดูนี้ชื่อนี้วันอุโบสถในฤ ด, ดูนี้ร่วงไปแล้วเท่านี้ยังเหลือเท่านี้วันอุโบสถมาถึงเข้าวันนี้หรือว่าวันปรนามาถึงเข้าวันนี้ดังนี้หนึ่งนี่เรียกว่าบอกฤดู นับพิสุว่าเท่านี้เท่านี้ประชุมกันในโรงอุโบสถหรือว่าในโรงปรนาหนึ่งแล้วก็ให้โอวาตแตนางพิกสุนีหนึ่งห้าอย่างนี้ท่านเรียกว่าบุพกิจเป็นกิจที่จะต้องทําก่อนที่จะฟังอุโบสถหรือว่าทําปรนนานฟังปฏิโมกหรือว่าทําปรนนานพิสุอยู่ในสีมาเป็นไข่หรือประกอบกิจใหญ่มาโรงอุโบสถหรือว่ามาทํำปรณานไม่ได้ ถึงวันอุโบสถ ต, ต้องให้ฉันทะหรือว่าให้ปาริสุธิให้ฉันทะให้ปาริสุธิถึงวันปารนาก็ต้องให้ฉันทะแล้วก็ให้ปารนามาแก่ทิฏฐูรูปหนึ่งให้ฉันทะนั้นให้สำเร็จการทำอุโบสถหรือว่าทำปารนาและสังกรรมอันเศษแห่งสงอย่างเดียวส่วนอุโบสถหรือว่าปารณาแห่งตนไม่เป็นอันทำต้องให้ฉันทะอย่างเดียวนะ ส่วนการนำปริสุทธิหรือว่าการนำปราณนานั้นให้สําเร็จการทําอุโบสถหรือว่าปรนณาแห่งตนด้วยแล้วก็แห่งสงุ่ด้วยแต่ว่าไม่สําเร็จสังฆกรรมอันเศษแห่งสงุ่ได้ก็คือถ้าจะทําสังฆกรรมอันอื่นถ้าไม่ได้ให้ฉันทามาด้วยนี่ไม่เป็นอันสําเร็จแต่ว่าให้ปริสุทธิให้ปราณนามานี่ก็เป็นอันสําเร็จอุอ โ, โบสถสำเร็จปรนณาอย่างเดียวนะทั้งของตนแล้วก็ของสงุ่ยด้วยแต่ว่าถ้าสังฆกรรมอย่างอื่นนี่จะทําต้องไปขอฉันทามาอีก ก็เป็นการสําเร็จอุโบสถปรณนาแห่งตนด้วยแห่งสงด้วยแต่ไม่สาเร็จสังกรรมอันเตจแห่งสงได้เพราะเหตุนั้นเมื่อให้ปริสุทธิหรือว่าให้ปรณนาแล้วต้องให้ฉันทะด้วยแต่ทุกวันนี้ใช้สีมาเล็กติ๊ตุอยู่ในสีมาไม่มีกิจจะนาปริสุทธิหรือว่าฉันทะนํำปรณนาจึงไม่ต้องไม่ต้องทําเพราะว่าโรงโบสถ์ยังเล็กสีมาก็อยู่แค่โรงโบสถเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครไม่มาเข้าโรงโบสถก็ ไม่ได้ทําให้สังกรรมเสียนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องนําบริสุทธินําฉันทะมารอกเป็นการทําได้สะดวกนางภิกษุณีเล่าทุกวันนี้ก็ไม่มีเพราะเหตุนั้นการให้โอว่า น, นางภิกษุณีจึงไม่ต้องทําองค์แห่งอุโบสถหรือว่าปรณามีสี่ก็คือวันนั้นเป็นวันอุโบสถหรือว่าเป็นวันปวรณาทั้งสามก็คือวันที่สิบสี่ข้ามสิบห้าข้ามหรือว่าวันสามัคคีวันใดวันหนึ่งอันนี้อย่างหนึ่งนะองคหนึ่งล้ว เท็กตุเท่าใดควรทำสังฆโบตดหรือว่าคณะโบตดสังฆปรนาหรือว่าคณะปรนาก็แล้วแต่เท็กตุเท่านั้นไม่ละหัตตาบัดกันอยู่ในสีมาเดียวกันอันนี้เป็นองค์หนึ่งเท็กตุเข้ากันจํานวนเท่าใดก็มาทั้งหมดแล้วก็อาบัตเป็นสภาะมีวัตถุเสมอกันการดังเช่นการฉันอาหารในรายวิการไม่มีแก่ตรงอันนี้เป็นขอ้อที่สามแล้วก็วัชนยะบุคคลยี่สิบเอ็ดไม่มีในหัตตาบัดอันนี้ก็บุคคลที่เป็นโทษ ไม่มีอยู่ในหัตถบาตอุโบโสถหรือว่าเปรมาณพร้อมด้วยองค์สี่จึงควรทำควรกล่าวว่าปัตตะกัลลังก็เรียกว่าปัตตะกัลละถึงความพร้อมเพียงเป็นกรรมที่พร้อมเพียงความพร้อมเพียงถึงที่ปัตตะกัลลังเนี่ยสําหรับวัชนยบุคคลยี่สิบเอ็ดก็ได้แก่ขรหัสหนึ่งสองอภิกตุณีสนาสิกามนาสี่สามเณรห้าสามเนรีหกคนลาสิกขา เก็คนต้องอันติมวัตถุก็คือต้องประชิดไปแล้วนะข้อที่แปดก็ทิ่ตัอันสงยกวัดด้วยมีเห็นอาบาัตข้อที่เก้าทีตัวอันสงยกวัดด้วยมีแสดงอาบัตคืนแล้วก็ทิกตัอันสงยกวัดด้วยไม่ตรระเกินเสียซึ่งทิฏฐิอันชั่วสิเอดก็บันดอกสิสองเถร ย, ยาวาสหรือว่าคนรักประเภทรักประเภทรภทับสังวาสเรียกว่าเถร ย, ยัสังวาสสิบสามที่ตัวภูก้าที่ตัละที่เดยรยรทีเทารีเดรยรที สิี่เดรัชานสิบห้าคนฆ่ามารดาสิบหกคนฆ่าบิดาสิบเจ็ดคนฆ่าพระอรหรันต์สิบแปดคนปทุสไรนางพิกษรนีก็คือข่มขืนนางพิตรนีนั่นเองสิบเก้าก็คนทำลายสงฆ์ยี่สิบก็คนทำโลหิตในพระกายของพระพุทธเจ้าให้ห่อแล้วก็ยี่สิบเอ็ดคนสองเพศก็คือทั้งเพศชายแล้วก็เพศหญิงในบุคคลเดียวกันอุปตโตปัญชนกยี 21, ่สิบเอดนี้ชื่อว่าวัชรียบุคคลบุคคลที่เป็นโทษแต่สังกรม ก็จะพึงได้หรือว่าจะพึงเว้นเสียนอกหัตถบาทเป็นผู้ที่ควรจะต้องเว้นในคนเหล่านั้นเมื่อคนอันสงยกวัดสามจะพวกอยู่ในหัตถบาทสงทําอุโบสถหรือว่าปรณาด้วยต้องอาบาัตปาจิตตีถ้าถูกสงยกวัดสามจะพวกเนี่ยโอเคปัิยกรรมโอเคปัญญภิกจุถูกยกวัดไปแล้วชื่อว่าเป็นนาณาสังวาทะทำกรรมด้วยนี่ก็ต้องอาบาัติตาจิตตีเมื่อคนอันเศษนอกนั้นอยู่ในหัตถบาตรและทํากรรมก็ต้องอาบัตทุกกฏ เพราะฉะนั้นบุคคล21ประเภทนี้ก็ทาให้ต้องอบัติปาจิตตี3ประเภทส่วนอีก10ประเภทนั้นก็ถ้าอยู่ในหัตถบาลแล้วยังทํากรรมก็ต้องผัดทุกกฎส่วนกรรมนั้นมี4อย่างดังนี้กรรม4อย่างนี้ก็คือกรรมแผน น, นู่นนะแต่ว่าพูดถึงกรรมในพระวินัยก็มีหลายประเภทหลายอย่างเหมือนกันกรรม4อย่างดังนี้ก็คือในวิหารอันหนึ่งพลกตุอยู่4รูป นำฉันทะหรือว่านำปริสุทธิ์แห่งเธอรูปหนึ่งไปแต่สามรูปทําปริสุทธิอุโบสถหรืออยู่สามรูปนำฉันทะปริสุทธิ์ของเธอองค์หนึ่งไปแต่สองรูปตรวจปาฏิโมกต์ดังนี้ชื่อว่าอะธรรมเมนะวักขังเป็นวักโดยไม่เป็นธรรมเป็นวักด้วยเพราะว่ามาไม่ครบแล้วก็ไม่เป็นธรรมด้วยเพราะว่าทำผิดหลักกระสี่รูปต้องตรวจปาฏิโมกต์ก็ะามรูปต้องแสดงปริสุทธิ อันนี้ก็ไม่เป็นไปตามนั้นเพราะฉะนั้นเป็นวักด้วยมาไม่ครบแล้เป็นอธรรมด้วยทําไม่ถูกธรรมะทําไม่ถูกเทวินัยถ้าสี่รูปประชุมกันทําปาริสุทธิอุโบสถหรือสองรู ป, รปตามรูปส่วดปาฏิโมกข์เช่นนี้ชื่อว่าอาธรรมเมนะสมกคกขังพร้อมเพียงกันโดยไม่เป็นธรรมมาพร้อมเพียงกันอยู่กี่รูปมาหมดอันนี้เรียกว่าพร้อมเพียงแต่ว่าสี่รูปนันตี แสดงปาลิสุทธิ์อันนี้ไม่ถูกธรรมะสองรูปสามรูปดันไปตรวจปาติโมกอันนี้ก็ไม่ถูกพระวินัยสองรูปสามรูปต้องแสดงปาลิสุทธิ์สี่รูปต้องตวจปาติโมกถ้าอยู่สี่รูปนำปาลิสุทธิ์ของเธอรูปหนึ่งไปแต่สามรูปตรวจปาติโมกถือว่าอยู่สามรูปนำปาลิสุทธิ์ของเธอไปรูปหนึ่งแล้วก็สองรูปทําปาลิสุทธิ์อุโบสถดังนี้ชื่อว่าทำเมนะวักคังเป็นวัดโดยทำอยู่กี่รูปไม่มาแต่ว่าให้ ฉันทะมาที่เหลือก็ทำกรรมแต่ว่าทำถูกก็คือสามรูปก็แสดงปริสุทธิถ้าสี่รูปอยู่แห่งเดียวกันทั้งหมดประชุมกันสวดปาฏิโมกขและอยู่สามรูปทำปริสุทธิอุโบสถและสองรูปก็บอกปริสุทธิแก่กันและกันดังนี้ชื่อว่าทำเมนะสมะคกขังพร้อมเพียงกันโดยธรรมกรรมสามข้างต้นนั้นไม่ควรทำถ้าทำก็มีอาบัติด้วยควรทำแต่กรรมข้างปลายอย่างเดียว ถ้าอยู่ทำกรรมไม่เป็นธรรมนีม้ต้องอบาบัติทุกกฎควรทํากรรมที่เป็นธรรมโดยพร้อมเพียงอันหนงภิกตุอย่าพึงทํากรรมไม่เป็นธรรมในท่ามกลางสงถ้าทําต้องทุกกฎท้องอนุญาตไว้ว่าเมื่อภิกตุอื่นทํากรรมไม่เป็นธรรมอยู่ภิกตุสี่รูปหรือว่าห้ารูปให้ห้ามช่วยกันห้ามถ้ามีกําลังเป็นสงเมื่อใดสี่รูปห้ารูปให้ช่วยกันห้ามถ้ามีอยู่สองรูปสามรูป ให้ทําให้แจ้งซึ่งทิฏฐิความเห็นคือไม่สมควรกับตัวเองตัวเองไม่เห็นด้วยควรจะทําให้แจ้งขึ้ความเห็นว่าตัวเองไม่เห็นด้วยเพราะว่าเนี่ถูกธรรมะถ้าอยู่รูปเดียวให้อธิษฐานว่ากรรมนั้นไม่ควรอย่าพูดไปเดี๋ยวจะไม่ได้ออกจากหมู่ถงก็ต้องดูนะว่าในหมู่ถงนั้นมีปิจตุที่ดุร้ายหยากคายอยู่หรือเปล่าถ้าไปพูดโเดยไปเดี๋ยวก็เป็นอันต ร, รายกับชีวิตแม้ก็ทํากรรมไม่เป็นธารมแต่ว่าตัวเองรู้อยู่นะไม่พูด ก็อธิษฐานในใจว่ากรรมนั้นไม่ควรแก่เราอย่างนี้ก็ไม่มีอบัางอันหนึ่งภิกษุผู้สวดปาฏิโมกข์แกล้งสวดไม่ให้สงได้ยินเป็นทุกข์กอถ้าเสียงแหบหรือว่าเครือเสียงแหบเสียงเคลือนพยายามอยู่ว่าจะให้ได้ยินแต่ว่าก็เสียงก็ยังเบาอยู่ไม่เป็นอบับปางอันหนึ่งภิกษุท่านไม่ได้เชื้อเชิญก่อนแสดงปาฏิโมกข์ขึ้นในถ้ำกลางสงต้องอบััททุกข์กอ สวดปาฏิโมกเป็นของเนื่องด้วยพระเถระการสวดปัญ่วง น, นี้สําหรับพระถเถระพระเถระพึงสวดเองหรือเชิญให้ผู้อื่นสวดด้วยว่าการแสดงปาฏิโมกนั้นเนื่องอยู่ด้วยที่สุผู้ฉลาดวิธีที่จะเชิญให้สวดปาฏิโมกพึงรู้ดังกล่าวแล้วในการเชิญให้แสดงธรรมนั้นเถิดที่สุผู้ชราดก็คือผู้ใดรู้อุโบสถก้าวยางและรู้อุโบสถกรรมตรียางโดยคําพร้อมเพียงเป็นวัดพร้อมเพียงโดยธรรมหรือว่า เป็นวัดพร้อมเพลงเรือธรรมแล้วก็รู้จักปาติโมกสองอย่างพิกตุ ป, ปาติโมกกับพิกตุนีปาติโมกปาติโมกขุเทศเก้าอย่างหรือว่าห้าอย่างปานิโมกขุเทศเก้าก็มีห้าก็มีถ้าห้าในตามพุทธพจน์ถ้าเก้าในตามมาติกถาผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ฉลาดปาติโมกขุเทศห้าดังนี้คือส่วนนิทานุเทศตั้งแต่สุนาตุมีพันเตสังโขไปจนถึงห้าสุโหติแล้วก็ สวดอุจิตท่ทานโคอายาสมัมมโตนิดานังไปยนถึงเอวเมตังธาปยามิจบนิทานุเทศดังนี้แล้วก็อุทเทศนอกนั้นประกาศเอาด้วยสุตตะบทสุตตะบทก็คือส่วดย่อด น, นั่นเองสุตตาโคอายาสมัมมเตหิจัตตารโภภะรชิกาธรรมาสุตตาโคอายาสมัมเตหิเตระสาสังขาริเสสาธรรมาสุตตาโคอา ย, ส ย, อย า, าสัมเตหิเดเวนิยตาธรรมาสุตตาโคอายาสมัมเตหิ สิงสาริสกิยาตาจิตยาธรรมาสุตาโคอายะสมัมเตหิตาเวนวุติปาจิตยาธรรมาสุตาโคอายสมัมเตหิสิกิยาธรรมาสุตาโคอายสมัมเตหิสตาธิปรรมาธรรมาจนกระทั่งถึงอวิวัมาเนหิสิกิตบังดังนี้ชื่อว่าเป็นอุทเทศที่หนึ่งถึงการสวดยอ่อตรวจไปจนจบปาราชิกุเทศ อุเทศนอกนั้นประกาศเอาด้วยสุดตะบทดังก่อนดังนี้ชื่อว่าเป็นอุเทศที่สองตรวจไปจนจบสังคาทิเศษสุเทศอุเทศนอกนั้นก็ประกาศเอาด้วยสุดตบทดังก่อนดังนี้ก็ชื่อว่าเป็นอุเทศที่สามตรวจไปจนจบอนิยตสุดเทศอุเทศนอกนั้นก็ประกาศเอาด้วยสุดตบทดังก่อนดังนี้ก็ชื่อว่าเป็นอุเทศที่สี่ตั้งแต่นิสักิยุทธเทศไปจนจบปาติโมกหมดดังนี้เป็นอุเทศที่ห้า ชื่อว่าวิถารุเทศก็คือส่วนแบบพิสดารเลยนี่ก็เป็นอุเทศห้าแต่ว่าจะเป็นในอธิการท่านก็แจงออกมาว่านอกจากนิสัิยะยุทเทศก็ต่อไปก็เป็นปาจิติยุทเทศแล้วก็เป็นปาติเดสนิยุทเทศเป็นเสขกยุเทศอธิกรรมะสมบถุเทศก็เลยกลายเป็นเก้าุุเทศไปในอาวาดใดที่ตุฉลาดเช่นนี้ไม่มี ให้อัญเชิญตั้งแต่มหาเถระลงไปจนตลอดถึงสังฆนว ก, กะไม่มีใครสวดปาติโมกได้ให้พระเถระใช้ภิกษุหนุ่มผู้หนึ่งให้ไปในอาวาสใกล้ในวันนั้นให้เรียนปาติโมกโดยย่อรหรือว่าโดยพิศดารถ้าไม่ได้ดังนั้นในอาวาสใดภิกษุผู้ฉลาดมีอยู่ให้ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นไปในอาวาสนั้นถ้าไม่ไปต้องทุกข์กด อันหนึ่งถ้ามีพิกษุผู้ชราเป็นผู้หูสูดเป็นผู้รับชีมีความละอายมาในอาวาสเล่าไซให้พิกจุเจ้าอาวาสถึงสงเคราะห์อนุเคราะห์และเกลี้ยกล่อมด้วยการให้จุนเป็นต้นถ้าไม่ทําเช่นนั้นต้องทุกกดพระพิสูจใดเป็นผู้ชราเป็นรับชีผู้หูสูดแล้วก็ตรวจปฏิโมกได้ก็ต้องอนุเคราะห์ต้องเกลียดกล่อมต้องเอา อ, อกใจแล้วก็ให้อยู่ด้วย อันหนึ่งเมื่อจำพรรษาอยู่ภิกตุฉลาดเช่นนั้นไม่มีให้ตรงภิกตุรูปหนึ่งไปในเจ็ดวันให้เรียนปาจิโมกโดยย่อหรือว่าโดยพิสดารเมื่อไม่ได้อย่างนั้นถ้าอยู่จำพรรษาในอาวาสนั้นต้องทุกกดไม่มีภิกตุตรวจปาฏิโมกได้ห้ามจำพรรษาในวัดนั้นด้วยนะต้องส่งไปเรียนอันหนึ่งไม่มีอันตรายถ้าตรวจปาจิโมกโดยย่อต้องทุกข์กดเหมือนกันอันตรายนั้นสิบอย่างดังนี้ เมื่อพิสูจประชุมกันจะทำอุโบสถพระเจ้าแผ่นดินเสด็จมาชื่อว่าราชันตรายอันตรายแต่พระราชาถมาแล้วเดี๋ยวคนก็แหกกันมาก็ไม่เป็นอันถากถูกเพราะฉะนั้นก็ตรวดย่อได้จรทั้งหลายมาชื่อว่าโจรันตรายไฟตาไหม้หรือว่าไฟตั้งขึ้นในอว่าชื่อว่าอัคยันตรายอัคคีอันเนอัคคีอันตรายเมฆตั้งขึ้นหรือว่าห่วงน้ำมาชื่อว่าอุดรันตรายอันตรายแต่น้ำ มนุษย์ทั้งหลายมามากชื่อว่ามนุษย์สันตรายจะมามากแล้วมันก็เกิดความชุลมุนเสียงดังอือฮากันก็ไม่เป็นอันสงบส่วนปาฏิโมกก็ไม่มีสมาธิมันนั้นก็สวยดย่อได้ยักษ์มาจาับที่ตุชื่อว่าอามนุษย์สันตรายสัตร้ายเป็นต้นว่าเถอะโคร่งมาชื่อว่าบาวันตรายสัตร้ายมางูเป็นต้นมาก็ชื่อว่าสิริงสับปันตรายทิ่ตุเป็นไข่หรือว่าทําการและกิริยาหรือคนมีเวรจับที่ตุฆ่า ชื่อว่าชีวิตอันตรายมนุษย์ทั้งหลายจะพิกรูปเดียวหรือว่ามากรูปเพื่อจะให้เคลื่อนจากพรหมจรรย์ชื่อว่าบรมจารย์ยันตรายเมื่ออันตรายติดดังนี้มีพึงสวดปาติโมกโดยย่อพึงสวดแต่อุทเทศที่ต้นหรือที่สองที่สามที่ 4. แต่ในอุทเทศที่สองเป็นต้นอุทเทศใดตรวจค้างอยู่อันตรายมีมาแม่อุเทศนั้นพึงประกาศอาด้วยสุดตบท แต่นิทานุเทศสวดยังไม่จบยาพึงประกาศด้วยสุดตบทพึงสวดเสียให้จบอุทเทศนอกนั้นพึงประกาศเอาด้วยสุดตบทเมื่อไม่มีอันตรายพึงสวดโดยพิาดารจนจบอันหนึ่งในวันอุโบสถหรือว่าวันเปรื่นาเจ้าอาวาสหรือว่าอคันตุกะไม่รู้ว่าทิกฐุในภายในถีมามีและทําอุโบสถหรือว่าทําปรารนานาไม่เป็นอบัตถ้าไม่รู้ว่ามีอยู่แต่ถ้ารู้ว่ามีอยู่และสงสัยด้วยรังเกียจอยู่ด้วย ว่าจะควรหรือว่าไม่ควรแต่ว่าก็ได้ทําอุโบสถหรือว่าได้ทำปรณนาไปด้วยการสงสัยด้วยคาวยคาม ร, รังเกียจก็ยังขืนทํานี้ต้องอบัตทุกกฎถ้าคิดจะให้เธอเหล่านั้นชิบหายแล้วทําอุโบสหโออบ ถ, ถสสหรือว่าทําปรณนาต้องอบัตทุนละใจถ้าสวดสวดปฏิโมกหรือว่าทําปรณนาค้างอยู่หรือว่าสวดหรือว่าปรณนาจบแล้วยังไม่ลุกหรือว่าลุกไปหมดแล้วจเจ้าอาวาหรือว่าอาคันตุกะมามากกว่า เพิ in, ่งสวดใหม่หรือว่าทําปรณาใหม่ถ้าผู้ที่เข้ามาที่หลังมามากกว่าเนี่ยถ้าเท่ากันหรือว่าน้อยกว่าเนี่ยตรวดค้างอยู่หรือว่าปรณาค้างอยู่ในี่ยนะผู้มาใหม่พึงฟังต่อไปหรือว่าทําปรณนาต่อไปเลยได้ถ้า <Yeah. S 1> ตสวดปาฏิโมกหรือว <Okay. S 2> ่าทําปรณนาจบแล้วยังไม่ลุกหรือว่าลุกไปหมดแล้วก็ตามผู้มาใหม่พึงบอกปาริสุทธิหรือว่าบอกปรณาในสํานักของผู้สวจปาฏิโมกหรือว่าผู้ที่ปรณาแล้ว อันหนึง่งวันอโนุโบสถวันเปรนาแห่งเจ้าอาว า, เว 14, า, าสเป็นวันที่สิบสีแห่งอาคันตุกะเป็นวันที่สิบห้าถ้าเจ้าอาวาสมากกว่าหรือว่าเท่ากันอาคันตุกะพึงอนุวัตตามแล้วแต่เจ้าอาวาสถ้ามากกว่าจะเอาตามผู้มากกว่าก็แล้วกันคือให้ตั้งยติวา่จาจะตุดดะโซหรือว่าจะตุดดะซี่ถ้าอาคันตุกะมากกว่าให้เจ้าอาวาสพึงอนุวัตตามอาคันตุกะตั้งยติวา่ปาปณารโซหรือว่าปณาระซี วันอุโบโสถหรือว่าวันปรณนาแห่งเจ้าอาวาสเป็นวันที่สิบห้าค่ำแห่งอคันตุกะเป็นวันที่สิบสี่ค่ำก็เหมือนกันถ้าแห่งเจ้าอาวาสเป็นวันค่ำหนึ่งแห่งอคันตุกะเป็นวันที่สิบห้าถ้าเจ้าอาวาสมากกว่าหรือวเท่ากันเจ้าอาวาสอย่าพึงให้กายยศาบาัคีแก่อคันตุกะให้อคันตุกะนั้นพึงไปนอกสีมาแห่งเจ้าอาวาสทำอุโบสถหรือว่าทำปรณนาเถิด ถ้าอาันรตุกตามากกว่าให้เจ้าวาดพึงให้กายยสามัคคีแก่อาันรตุกตาหรือว่าไปเสียนอกสีมาก็ได้ถ้าแห่งเจ้าวาดเป็นวันที่สิบห้าแห่งอาการตุกตาเป็นวันค่ำหนึ่งก็เหมือนกันอันหนึ่งทำอุโบสถหรือว่าธรรำปรนนในวันอื่นพ้นวันที่สิบสี่คาำหรือสิบห้าค่ำหรือว่าพ้นจากวันสามัคคีนั้นต้องอบัตทุกกฎทาได้แค่สามวันเท่านั้นอันหนึ่งอนุญาตไว้ว่าในวันอุโบสถให้ภิกษุผู้เป็นเถระประชุมก่อน ในอาตกถาว่าพระเถระไม่ไปประชุมเป็นทุกกฎไม่สมมุติตนก่อนถามหรือว่าวิสัชนาวินัยในท่ามกลางสงฆ์เป็นทุกกฎสมมุติตนเองก็ได้ให้ผู้อื่นสมมุติก็ได้ผู้ถามให้สมมุติตนเองด้วยยติว่าโสต ม, มาโตเมผันเตสังโฆญาดิสังทสะปะตะกลังอาหังอิทธณนามังวิณยังปุชัยังดังนี้ ผู้อื่นสมมติให้ว่าสุมาโตเมผันเตสังโฆยาดิสังคสะปะตะกันลังอิท่านาโมอิท่านามังวินยังปุชเชยะดังนี้ผู้วิสัชนาสมมุติตนเองว่าสุมาโตเมผันเตสังโฆยาดิสังคสะปะตะกันลังอาหังอิท่านนาเมณวินยังปุทโววิสัชยังดังนี้ ถ้าผู้อื่นสมมุติให้ก็ว่าสุมาโตเมผันเตสังโฆญาดิสังทัสละปะตะตลังอิทัณ น, นาโมอิทัณ น, นาเมีนาวินยังปุโุวิสัชยยะดังนี้ในคําว่าอิทันนาโมอิทันนาเมีนาณีพิกจูชื่ออะไรก็ให้ว่าชื่อนั้นแทนคําว่าปริสุทธโธอาหังผันเตปริสุทธโธติมัทเรทะ และคำว่าปริสุทธโธอหังอาวุโสปริสุทธโธติมัทเรหิทั้งสองนี้แปลว่าท้าพระเจ้าเป็นผู้บริสุทธไม่มีอาบัติอยู่แล้วท่านจงทรงข้าพระเจ้าไว้ว่าเป็นผู้บริสุทธเถิดอุโบสถกับป ร, รณนาเนี่ยเหมือนกันแต่ปรารนาที่แปลกจะกกล่าวข้างหน้าจะมีอะไรแปลกท่านก็จะแสดงข้าหน้าในเรื่องของป ร, รณนาอุโบสถคะถาจบ สมควรกับบาลานแ้วในสังเรื่องของกวินัยเ ก, กี่ยวกับเรื่องของการทําอุโบสถเรื่องปรวรนาซึ่งจะทําให้กรมพิสูน์นั้นอยู่ด้วยความผาสุกแล้วก็เป็นการอบรมสติสัมชัญญะที่จะรู้ว่าสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไม่ก้าวร่วงติกขาบทไม่ก้าวล่วงพระบัญญัติโดยการสะพืดตามโดยความที่มีศรัทธาที่เรียกว่าศถาโพคีศรัทธาปัญญาหรือว่าศรัทธาเชื่อในความตรรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพาฉะนั้นก็เป็นปันจจัยเพื่อกูยแก่ศีลสมาธิและก็ปัญญา ต, ต่อไปก็ขอให้เจริญงอกงามในธรรมวินัยนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วเพื่อความเป็นสงสาวกผู้ที่ปฏิบัติดีแล้วตามคำสอนของพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าก็อันุวทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ